พระพุทธเจ้าสอนธรรมในบรรดาศักดิ์ซึ่งสองก็ยังไม่เคยทรามากล่างํานมะเป็นอย่างไร มักผลิตภัณฑเป็นอย่างไรวิลล์ปัญหาอะไระเรื่องจีดขวางตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบเลยกันตรงนั้นและไม่ได้เคยเรียน ท่านขอใส่ขอพาปฐมมัธยมมาเลยตั ง, ก, งก็เป็นผูาา้มืดผิดด้วยกันในทางภายในใจเกิดใบเวลาพระพุอาเจ้าทรงสั่งสอนแลอปรากฏเป็นสลักพยั น, นปะปฐมมัธยม ขึ้นมาในลำดับคำเดียวนะยกตัวอย่างเพื่อแสดงเกิดยวกับบุสวัสดิงทั้งห้าเรื่องศีลก็มาเลยแสดงเรื่องสมาธิก็มาเลยแสดงเมื่อผู้จะกระดับปรับทางธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะอธิบัติตน ที่จะทำท่านใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาตดัสอนมาต้องรักษาศีนอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอายาจักรซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลาย ขึ้นแสดงเรื่องต้นกยกเดเรมีทิคโวอันตะบะจิตูนาเซวิตตังแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นองค์บทที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป จะเทียบอูประมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องสองทางของคู่ดำเลยจะไปสู่จิตนั้นๆเมื่อโดยยกสัมมาทิฏฐสัสงมาสัมมาสังกโปซึ่งเป็นเครื่องสองทางแล้วก็ชี้เรื่องรับถุกที่จะเป็นค่าศิกต่อทางเลย และชี้จิตหมายกายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จิตตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือ ท, ที้เรื่องของทุกและที้เรื่องของส ม, มูทยัยอันเป็นเครื่องจิตขวางทางเลยทุกคือเรื่องตัวปัยส ม, มูทัยจี่ เคื่องจขวางทางเดิมมักดีปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่จิตขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้ลื้อพื้นสิ่งทั้งหลายซึ่ขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับนำดั แล้วก็ที้เรื่องนิโลธคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นท่าศิษย น, นั้นให้หมดขึ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุดที่เป็นจุดจุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนแล้ว ก็ต้องถึงและกะตบโดยลำพังตัวเองจตเมื่อทุกทุกท่านที่ติดใจระดับจากพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาชนทะยัขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะตังเทศจากพระองค์ท่าน เป็นอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังกินจิตสมุดสมุายะธรรมมาสับบันตังมิโลทะธรรมมาเป็นต้นเร่เมื่อความม า, ากจะเป็นสิ่งใดก็ตา่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกทางหรือรอดพ้นจากความดับไปได้ เมื่อปรากฏเป็นความเปรตขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวขึ้นนี้ของพระอัญญาโกลทันยะกล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่โดยเห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้แก่เรื่องของร่างกาย และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องหนับไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยซึ่งควรจะไปจับจองเอาเดยใช่ไหม เมื่อพระอัญญาโกนธัญะญได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการแต่ตรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจับกลับใจเลยประเด็ดเต็นอุทานออกมาเป็นองค์พ้าพยานของพระพุทธเจา้าในขั้นแรกละเอียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่ พระสาวกทั้งหลายมีพระัญญาโคนทัญะเป็นต้นไม่รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเมื่อจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้วร้อยเปอรเซ็นคือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกๆประเภทและถอดถอนได้ ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ทัดได้โดยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเนลําดับจนถึงขั้นวิ ม, มุตตพุทธโธเปนองค์สงศาสด า, าของพระพุทธเจ้าในอันดับนรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์สงศาสด า, า, าของบรรดาจักรทั้งหลายในอันดับต่อมา ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมเนื้อเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมสิทของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่โดยทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วยเนรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วย <c oughs> เป็นสันคิคือโก คือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนนั้ธรรมะทุกๆประเทศเมื่อระบายออกมาจากโอดจึงหลั่งไหลออกมาจากความบริสุ ท, ทธิ์ของพรพพิติจารจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ <c oughs> หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินในฝั่งนี้จึงไม่มี ข้อเคียบแขนสงสัยแม้แต่หลักแห่งการสอนของพุกพระวจตเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก็ตามจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระโพธิเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรม แต่เราเป็นผู้ที่หยิบหยิบยืมธรรมะคาสอนคำพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่เป็นหยุดหยุดหยุดยืมมาแนะนําสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลี่อมล้ําต่าสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจํานวนมาก เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่นี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเรื่องต้นก็เดยหยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยื่องอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดังเลยจนจากบทขนขึ้นเนี่ยสีก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์ สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความชั่งแยงสลาดสามารถถอดถอนพิเรตซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้ชิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับพิเลตโดยดับไปโดยที่เฉยเมื่อสูงก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่ คิด พ, พ้นที่นี่ที่จะนาแก่จองโดยลำพังท่านวิเรเลือก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่แม้ภายในใจของท่านแต่ได้ถูกขอบถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นลิมุดขึ้นมาลิมุดก็กลายเป็นของสาวกเลยสมบูรณ์มา็ด้หยุดยืนมาจากผู้ดัดสาวกองที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้เช่นนั้น ก็สามารถจะประกาศจ ะ, จะทำตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจา้าและตามสติกําลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจา้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของชาวกอเคีเบรรดาศัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจ สำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของรพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นําหลักธรรมะคําสังสอนพระพุทพธเจ้ามาสอนทําไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับรพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเลา่า ในข้อ น, นี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความแฉยฉลาดสามารถในสมุิฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุิฐานที่เกิดของโลกว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนํายาที่สําเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็าตามนําไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทําหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้าบางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุของบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่นะ้ เพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจิแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกสิดของโรคเท่าที่ควร้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทางทางวิชายาและสมุดฐานของโรคโดยชัดเจนด้วยเลย ผลที่เกิดขึ้นเลยรับจากการรักษานั้นย่อมมีกันแน่นหาใเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าในสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกังนเป็นธรรมะแม้จะเป็นธรรมะที่สําเร็จยูบมาจากพระพุทธเจ้าองค์ไวติสก็ต่ำแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นจะหยุดยืนท่านน่ะ เมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำนี้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุของตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้แท้จีิงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความตั้งใจใกล้จะระดับตับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงกับ โดยที่ผู้นํามาแนะนําสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนําสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนําสั่งสอนอย่างใหญ่หากว่าตนไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยและก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจไมงตมเชื่อประจักด้วยผู้นั่นแม้จะไม่สามารถ ทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต่างถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสัาสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบสับโ์โลคโลกก็เคยมามีมาตั้งแต่การไหน ไ, ไม่ว่าโลกประเภทใด จะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและศัพ์ด้วยกันจะให้คือให้นามว่าโลกประเภทใดก็ตามจะต้องให้คือให้นามมาจากโลกที่เกิดขึ้นจากคนและศัพทา์ายาก็เพื่อแก้โรคและเพืยอแจ้โรคหายมาเป็นเวลานาเมื่อ <c oughs> เรารู้วิธีการของการรักษาโรค โลกความฉลาดของเราแล้วโลกต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณก า, าและยังจะทำบุคคลให้หายจากโรคไปนานาศตการข้างหน้ามีจำนวนไม่นย้ยเพราะโรค ก, กับยาไม่เคยได้เสื่อมพูนไปจากโลกนนี้มี่ทาหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่สวดคาตรธรรมที่พระองค์ กล่าไวไม่ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเหนผลขึ้นมาอายัยยมผทานตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคํว่าหญิงว่าชายนักปวดและชราว่าเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานําความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาฟัางสอนคนอื่น ผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความไข่ต่ออาบทำอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่ถึงพอใจตามนิสัยวาสนาของคู่นั้นนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายยังทรงทรงพระชนม์เพราะสับว์จะทำเป็นธรรมชาติอรรเดียวกันผูรู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมเลย ธรรมชาติเปนเดยกตครูที่จะรับโอว่าคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเด็กมีที่เด็ดตัรหาเช่นเดยกต่าจะต้องรู้ได้เดยกต่ไม่มากกาต็ต้องหนามีขึ้นการที่กล่าวมาต้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือโดยประสบพบเห็นหรือสดับกับตั้งจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทังวิชาการแพทย์ทุกแขนงและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นทำงานเรับคนคือเขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอเด็กเอ้ดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องเลยนะครูที่จะรับความโคกเข้าใจ โดยมากก็ต้องเอรียนรับการอบรมฝังสอนจากครูจากอาตาอาจารย์ครูแน่แน่ในข้อปฏิบัติและแน่แน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้ลงแล้วเยาว์ท่านรู้สิิงจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิํานาญมากช่นนั้ น, น, นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูก และแน่วแน่ต่อทางไม่ใช่ปลีกแยะหรือคโคดโค้งเป็นเหตุให้กระทัานเวลาห่างการปฏิบัติของเราลงด้าเป็นนั่นแหละและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจกักษ์้าเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทาง นั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับฆราวาสเป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆิก็ไม่ใช่แต่จะว่าิแต่แตกต่างกันไปก็ไม่เช่เทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิง ก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ถใชแต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ใช่เป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวดกับฆราวาสจึงมีความแตกต่างกันอยู่เลยทานองที่กล่าวมานี้แต่ความรู้ดีรู้สึกดีทั่ว บาปบุญคุณโทษนั้นลูกเหมือนกันและธรรมของรารวะาผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทาผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลาทางได้เช่นเดียวกันกับพ้อพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม <c oughs> หน้าที่และเพศของตนก็มีจิตคนเดียวที่จะถึงถึงเช่นเดียวกันกับข้อ จุดแตกกันอยู่แ ต, แตเเ่เรื่องของเท่านรรเรื่องของหลักคํามและคล้ายึงกันมากนีย่ยอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวท้ทุกๆก็เพิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึง่วนสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเสพ้อมนอมริ้ จากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นทิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกาลังให้สนับนน ส, ส น, นุนจิตใจของตนเช่นท่านแดงไว้ว่าผู้ดงชิดสามมีบินทบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีวิธีแต่ละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดใจจิตใจของตนให้มีความสงสัยเพิ่เป็นันดับ เพราะอันาจของข้อปฏิบัตินั้นนั้นพระวา่ามีการให้ทานก็ดีรักษาสิ้นห้าหรือสิ้นแปบดบตามการตามเวลาก็ดีนี้จะเลยเมอตาแยาณาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญคจะเป็นเหตุให้ไรมาแห่งความสุขความเจริญ และให้มีความเสียใจาสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณักภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความเพลินพุกันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อศิกษาบทที่ในที่ศีลสมาธิปัญญาแยากออกเป็นปริยาก็คือข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นประจำวั น, นก็เพือ่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความ แ น, น่หนามั่นคงขึ้นไปเป็นมันนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบรรจับไว้ในเส้นติดย่อยว่าเป็นของไม่สําคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบรรจับไว้ทุกๆ ก, กัระพงไม่เป็นของสําคัญแล้ว ทำมาสวัสดิ์โตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์ทำไมเมื่อสวัสดิ์ ร, รมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิประมัซึ่งเป็นผลสุดเนื่องเขาต้องปรากฏขึน้นเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบส ง, บสงบสัดสถานที่อันไม่พกุกพลาน ถ้าตอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่ชนหนั้นเป็นที่เหมาะสมยู่นะแต่เราจะได้เห็นล่องลอยของจิตใจเรที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินและตราบทผลมาเป็นที่พอป่าไทยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้า ฉะนั้นจึงไม่เป็นของลาสมัยเพราะศาสนะธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจา้าไม่ปรากฏว่าบทใดาบาปใปได้กลายเป็นธรรมะที่ลาสมัยแต่เมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องใด้ผลเป็นบรรลุผลส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนียม ซึ่งกับการกัดสมัยการหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างความนิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามตึก บ, บ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคน ตามธรรมดาของคนฉลาดจะหางินกับคนโง่เขาจะหางินกับคนฉลาดด้วยกันก็ลาบากต้องหางินกับคนโง่เหลืพบขุดเงินอันนั้นขึ้นมาขิดจิงงนีขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะขิดได้อย่างเขาเขาต้องวิงงินชันขวาหางเงินหาทองมาซื้อเ ข, นานานเขาเมื่อคช้ไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้อง คุดใหม่คิตออกมาใหม่แล้วทําให้คนตื่นเต้นเธอกันอันนั้นมาดีอันนี้มาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขํำค น, น, น้นมี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโง่ทั้งนั้นหนูเห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คิกใหม่ไม่เช่นนั้นจะมาได้เงินจักเขา ทิฏฐิมันเมื่อโลกมันไม่แน่นอนแบงนี้แต่สําหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอต่างลองพิจารณาดูที่ที่ท่านว่าสัจจะทำธรรมะสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเว่าใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ต่างธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเพื่อนทุกใครจะเข้าใจว่า วิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่ฉะนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความสุ่นธรรมชาติที่ผลคือทุกข์างปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตาม้ายทางของเขาถ้ามักไม่มีความฉลาดที่สติปัญญาของเราไม่รอบขอบแล้ว เรื่องของสมูทายก็จะเป็นหนามท่านกลางหรือยอดข อ, ออกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมูทายนี่ยอดหวัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยกหวัวใจคือเรื่องของสมูทายนี่มาเป็นเวลานาน็นไม่สามารถจะนับครบที่มากแต่เมื่อพระองค์มีความเฉลียวอุบายวิธีคือเรียกว่ามารคือครอบปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ให้ออกจากประเทศไถได้กลายเป็นความบิสิ์ขึ้น ม, มีการกลาวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายิคูที่จะกําหนดจิตใจของเราตามร่องรอยให้ขัดจะกธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟัง ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสําคัญจะทุกยากลาบากในการปฏิบัติเราอยาถือเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นขันผายไม่ว่าเงินว่าทองว่าข่าวว่าของว่าตึกบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการทันผายทางนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนดี แล้วมันจะเกิดขึ้นมาจากความเกลียดกลาโตัวได้กล้ามาเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเต็มฉันไฝ่ซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียร น, นั้นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือเรื่องโลกที่เรานํามาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดาเนินตัวของเราไปไม่ตลอ การทุกยากลาบากเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงากทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้อ ง, าองลาบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่เมื่อที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลาบากเช่นเดียวกันเพราะทำมา ง, งานจะอยู่เฉยๆไม่ได้ มีเรารักษาศีลรักษาธรรการอบรมจิตใจของตนองนี้ทอดต้องถือว่าเป็นงานันนี้งานที่เราจะกันจองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมนุษนมนทษนนั้นเองเป็นเพื่องกระทบกระเพือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญและทุกข์ยากลํำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบสมบัต ธรรมะาพุทธังแสดงกัจฉานไม่จะถือแต่คําพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดําเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลําบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจา้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราแล้วต้องทํานึงถึงกติปทาของพระพุทธเจา้านั่นแหลนํากฏิปทามาเป็นเพื่อเลือกของใจเตินผู้ยึดเหนียวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจา้า ไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุดโธความบริสิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน <c oughs> เราจะเดินตามพระพุทธเจา้าเราก็ต้องนาเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้งากลําบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะพิเรศไม่ใช่ของใครเป็นท้องหลัเกเพิดอขึ้นจากเราทําความเดือดร้อนให้แก่เรา ทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี่ไม่ใช่ของเราจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้ น, านาการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจทั้งส่วนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของเราไ่มนอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่ารี้ออบค้อนสิ่งที่เป็นความเจ็บให้หมดใจบนันเมตตนั ด้วยอํานาจแห่งความภาคความเปลี่ยนในภายหลังขั้งหลายจิตในเมื่อได้อาศัยการสุขผลทรมานอยู่เป็นประจําแล้วจะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่น่าต้องเพิ่มทายหายพยศตรงนี้เป็นลำดับนะเพราะอานาจของการสุขผลอดลมที่เรียกว่างานประจำว่าอยากก็ต้องทําง่ายก็ต้องทํา พุ่งสารล้ำคานก็ต้องบังคับทุท ก, ก็ต้องพยายามแก้ไขถ้า ท, ทุ ก, กมันเกิดกับเลายเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อย ôi, นั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับความงานภายนอกเราวิ่งตึงส้นข้ยหาอะไรมากน้อยนั่นเป็นของอเราเราวิ่งตึงส้นข้อภายในได้มากน้อยก็เป็นของเร น, นี่เรื่องงานจากกัน พูดถึงเรื่องทำยากยากเย็นยากกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากสิใช่ของผู้มีความเพียรจะแก้ไขกันเองต้องผ่านพ้นไปไหน้าโดยเดิมจิดคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคำบรรจาบทัตุกับัญญา นับพาความเพียรบังคับกันเดก่ยวๆจุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นคำขึ้นเรื่องทุกจะเป็นทุกไปตลอดสับตลอดซันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องแของทุกไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกเพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกขึ้นของทุกได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องที่จะร่า รู้เป็นเครื่องบงังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เรื่อยการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเพลใจนั่นเพเป็นมานานแล้วด้วยอำ น, นาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาปัากนุบเราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามที่ภาคปฏิบัติเป็นภาคสําคัญ เราอยากพ่อคอยทุกไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ต้นภูเขาลูกหน่อยและไมไ่อยู่บนเมฆบนหมอกขึ้นพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดของคุกก็ไม่หนีจากหัวใจเิดขึ้นจากที่าใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับเราสัมผา ค, ความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ดี สติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกของสมุทยัยผลก็เกิดขึ้นจากใจเดวงเดียวรับนํามาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกในวันหน้ากองทุกในชาติหน้าจะไม่ใช่ของใครจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปนานอนาคตปรการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของเรไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียว เะนั้นปัจจุบันนี้เราได้ <c oughs> เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นธาตุสิ่ภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติสี่สมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาเิื้ยะความภาความเพียรกำหนดลงไปในข่อนของกายโดยสติโดยปัญญาไมา่หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมเรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยิน ไม่ฟังมาจากพุทธิจาจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่เลยพยายามพิจารณาไม่อยู่อย่างนี้โดยแ น, ยนย่นอนเนี่ยเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีเด็กคนรู้เรื่องของสมูทไทยสมูทไทยดับไม่ได้จะมีอย่างนี้ทำม า, มากๆก็เหมือนกับอกอบกับเขียมก็มีกบส่รงฟาดฟันหนึ่งไปปุบชนหนึ่งไปไม่ได้ลึกได้ตื่น อยู่ภายในตัวของเราสำคัญที่การบังคับจิดใจไม่ให้เป็นไปตามเผยใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้คุกเกิดขึ้นแง่ไหนต้องรู้สมูทไทยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรมีนิสติตปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับ จะพุ่งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเขินให้เขามีรราออกาลังกล้าึ้นตันเรา จ, จึงย่อมมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขดีเช่นีเรื่องของทุกของส ม, มุูไทยก็มีทางข้าวเดินลึกข้ามบนทิศอะไแต่ได้ข้อสำคัญคือความความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทาที่นี่แล้ว ภาพหมายไปเสียว่าจะทําที่อื่นมีเรียอโกหกเอย่องลวงอยากโกหกอ่ร่ำลืจะทําเวลาไหนให้ภาพลงไปในเวลานั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นคือว่าเป็นผู้มีความเทียงอยู่ตลอดมื้านะเรื่องของทุกขของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้น จะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าคุกขับสมูทายมีโลมภจะปรากฏขึ้นที่หัวใจเดี๋ยนี้แม้มทับขึ้นทิ้ง ม, มีกระเด่อเท่ไทยมีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าวทุกคือพระพทุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรเนี่ยสมูทายเป็นอย่างไรรมิตลื้อถอนสมูทายนั้นรื้อถอนอย่างไร เมื่อรู้ถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมะนิโรธะดับทุกนั้นดับอย่างรเรื่องที่กลามาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะพ้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสภาวกา ดูข้างนอกดูข้างในผู้ชายดูด้วยสัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางสัญญานั้นเป็นแม่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องคำว่อุปท า, านนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบางังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปท า, านไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วย ม่เหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันเพราต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อแห่งความความบุเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัตจั เรื่องคียนเลตปัญหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมบางลงที่หัวใจสอนกันลงทิ่นีให้กําหนดพิจารณาดูทิ่ใจใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดของความกังวลของใจ จึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ่งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วแล้วถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์กเฉยๆความจดจาได้หมายรู้ความตรุงความคิดของใจคำรับรู้ที่เป็น แสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบท่าเรียกว่าวิญญาต์มีเป็นสิ่งที่เกิดกับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับดว่าความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไร โดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เสืียด ท, ที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อกิงได้มีความเอ็นเอียงลึกอุดแปรจากความสงวนหรือการตัดตันเหตุเดน่นของตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอ็นเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็นเอียงใจก็ล่มเวลายไปทียแล้วเราจะหาบอกเหตุการณ์ิศมาจากที่นี้ เ <c oughs> มื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่เาเป็นเราจะต้องสิ้นเลยก็าหาทางเดินไม่ด้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็นต้องเดือดร้อนถ้าเราเป็นผู้ปวยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ทุกขผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างหาจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกเวตน า, า, น า, า, า, าสัญญาทังขานิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอา สิ่เหล่านี้ทั้งดุ่นมาตายมาให้เป็นของเราเมื่อกินเหล่านี้มีเขาเดินแต่ตามสายทางของเขาเราจึงมีความเด็ดล้อนทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เข้าประมาแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเปสดเขาเคยเล่นน้ําเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามบึงสะพอลูกเป็ดเห็นน้ํเาเขาก็วิ่งลงน้ําแดกบ้าในน้ําแม่กลัวเป็ด ตัวลูกตนจะตายก็วิ่งเฮ้เลร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาทั้งฐานยืนยานเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเกด็กเที่ยวเล่นน้ําแล้วก็หลงสริยาของเขาที่เป็นไปเดียบดลร้อนไปตามวุ่นวายไปตาม ยังทุกปรากฏเช่นที่ไหนก็วุ่นไปหมดก็เห็นว่าเราเป็นทุกหนะดฉะนั้นเราจึงหาความจุตไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นก็ควรจะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งจนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่ท้ิงกายที่ให้ชีวกายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไปแตชุมกันเท่าเรียกว่ากายแต่ก็แตกลงไปเป็นดินน้ำธาตุสี่ในดินดินน้ำลงไปต่ำเดเนื้อนาสัญญาสัญชาญวิญญาณเกิดแล้ว ด, ดับไปเกิดแล้ว ด, ดับไป นั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไห น, นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่าคอเป็นญาติมิเป็นสาหลูอของกู้ดัดเขาไม่เคยมาตอบปันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไปตอบปันจิตแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นทั้งหลายเมื่อจิิงทั้งหลายนั่นดําเนินตามล่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสริงอย่างนี้ ใ, ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวานทั้งคืนหาเวลาตั้งเงี้ยตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งจิตตามตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของมาเกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นพอถูอสิ่งอย่างนั้นเมามาเป็นตน้นพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้ม หยุดมีแต่ลมลุกคุกคลานในตลอดเวลาหาความปลุกที่ไหนไนั่นนั่นแสดงว่าหาอริยสัอริยสัจไม่เจอถ้าหายสัจเจเรื่องของทุกก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของต่านั่น กายตั้งขึ้นตายแตกไปเป็นเรื่องของกาเวทนาความสุขความทุกข์เฉเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเอทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นกล้าบทขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้ดูรอบฝัาหนังคูว่าเป็นผู้มีปติเป็นผู้มีปัญญา จับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอํานาจของปัญญาที่ใจกลางที่ชายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่หนาหนึ่นั่นท่านเรียกว่ากวามอยากให้ภาค ก, กันออกอย่างนี้โดยยุทธิยะภาของกัญญาภาคมันนีดภาคมั น, น้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจรนาที่ช า, ายดูกี่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพียร เ, เพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่ง ที่มาคุกเขาให้ออกเป็นคนละทิ้นอาอมออกจากามันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือสามมนี้เป็นประเภท น, นึงคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมาแล้วประเภทที่ปัญญาพิสแสคือภายในจิตจริงๆนั้นนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจงควรจะใช้ปัญญายังลงไปในจิตนั้นอีก เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลานว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์ขีนี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกผ่าหลงเจงจับอันั้นลแล้ว ก็คือว่า เ, เราเป็นตัวคงต่อที่จะมาที่ชายลมตีเล่ทางกำยาให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เสถี่ความเศ้าหมองก็ต้องมีฐานที่เสถี่มีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างมามาจากทุ่นั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เสียทุงเหล่านี้เป็นส่วนละเอียด แต่ก็เป็นเรื่องของสมมุติเส้นเดี้ยกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วแล้วเราจะถือเอาอันนี้ท่านอย่าพลังแห่งวัฏจะมันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวเองคือให้ชื่อว่าวัฏจักรเพรเขียนนี้เป็นตัวมเมือนึ่งยังหลงล่องรอยทั้งตนเองเหยียดย่ําแล้วเหยียดกันลอยจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้ ยียบที่ไหนก็มีเป็นเจริญร่างกายเจรองไม่ทราบลอยใหม่ลอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายข้ามตายศากตายพับตาผมตาอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งกลับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยกันญา้เรื่องของพบของทาบของยาพิษอันนี้ก็จะแพกกระจายไปเรืยอหน้าทั้งกันสมมติเป็นจะหมดไปเมื่อสมุติหมดขึ้นไปแล้วเพราะอํานาจ ตัญญาที่ทำลายเรื่องนิมุตคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความภาพความหมายเรื่องของมรตัก็ยึติดตกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินเด็กใครพูดก็ตายเป็นหลักทั้งการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจทั้งหมด เราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบทรับน้ว่าอะไรเกิดเนี่ยอะไรตายเนี่ยอะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายเนี่ยเราก็ทราบครับวิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเตินผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความมันไหมจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรเ้ราแดนแห่งความมันไหมก็คือหลัก แหงอ ว, วิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทําลายไปเลยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาตนี่เราจะหาพบหาแามาหาที่อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรามีอะไรมาสืบต่อจิตใจให้เป็นการกระเพื่อมหรือมีเชื่ออีกต่อไป ตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสารทิฏิโกต้องเห็นเชื่อเห็นชัดดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าสัาจธรรมอันนี้กับสัิธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยเมื่อก็จธรรมไม่ผิดแปลกแล้วคำว่าู้มุติพันจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วเบิตเบิซึ่ง เ, เหมือนกัน ขอใท่านนะจิตดักทั้งหลายาความสนใจต่อบปมแห่งมัตต์ที่มีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอุญญาบิทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เกิดจะเป็นการลืมเนื้อดินตัวทําให้เนินชานอกจากการทําให้เนินชาแล้วยังทําให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะทึงได้จริงๆอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรการเสีดตายใครมีการําเหรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบนกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคตินของโลกอยู่แล้ว้วเราจะหาคติของคำที่บริสุทธิ์สมุทิธานมาจากเรื่องเกิดยังตายและจากเรื่องความหลงเกิดสงสายนี้มาจากที่ไหนไม่นอกจากพยบบายามแหลกปลางตัวให้พ้นไปเสียเดย เด็ดขาดแล้เท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกาสบายใจนั่งอยที่ไหนก็สบายทุกเรื่องร่งางกายเอาทุกปลายแปกตัดมันแค่เที่ยงร่งางกายไม่สามารถจะซุมซาบถึ ง, ถงจิตซึตมซาบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดอยูเช่นอนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับความจิตถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงๆต้องปรากฏเช่นนี้ Blue ไม่ว่าครังไหนไม่ว่าครั้งครูติจาไม่ว่าครั้งนี้จักจะทําเป็นอันเดียกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนแล้วท้ทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของอุตส่าห์และจักการเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่หนีเลยทังขอเป็นกายทํานทำความสนใจอยู่ที่ไหนจึงจะได้ความเพียรตะเกียบกายเพื่อจะหลีกภนั้นเป็นเฉพาะทางที่ชอบทำคือว่าเราได ตามประเด็จพระพุทธเ้ายปฏิสัพทําอามสารลื่นลื่งต่อการถอด้อนตนหนึ่งให้พ้นแบบสารนี้ก็ต่างมีพลังขอจงก็จีรเจนะปล่รยที่จะพุทจาพระธรรมประสงค์เป็นอธิบาลมหาความทา้งหลายให้มีความเจริญกาสบายใจในการปฏิบัติเป็นเพื่อถึงจิตมหาธามบ้าน โดยวาปรวาปฏิบัติโดยขนาดของคุ